สิกคาบทที่10เรื่องพระชัพคี637สามสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นผู้ พ, พิสุจชาคพีแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้ถืออาวุธพระบัญญัติ10พึ่งทําความสําเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้ถืออาวุธ เรื่องพระชาปนกีจบสิกขาบทวิพังภิกษุไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้ถืออาวุธภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้ถืออาวุธต้องอบัติทุบกฎอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข้5้ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง6กภิกษุวิกลจริต เจ็ดภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่10จบสุรุสุรุวักที่6จบ